บทที่เกาการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลามีนักบริหารบางคนเคยกล่าวว่าถ้าหากเขาสามารถซื้อเวลาได้เขายินดีจะซื้อเวลาเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตเพื่อจะสามารถทำงานได้มากยิ่งขึ้นก็เกิดเป็นผลผลิตเป็นผลงานที่เพิ่มพูนขึ้นแต่อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครที่สามารถซื้อเวลาได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินมากเพียงไรก็ตามดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด ในการเพิ่มพูนเวลาก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลาซึ่งหมายถึงการใช้เวลาเท่าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการทำเช่นนั้นจะทำให้เราดูเหมือนเป็นคนที่มีเวลาเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเกินเจ็วันต่อสัปดาห์และเกินสามสิบเอ็ดวันต่อเดือนและเกินสามร้อยหสิบห้าวันต่อปีก็เป็นได้สำหรับแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลานั้นผมขอนำเสนอบางประการหลักๆดังนี้ เรียนรู้ธรรมชาติในการทำงานของตัวเราการที่เราเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติของตัวเราเข้าใจนิสัยต่างๆสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบความถนัดการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นต้นเราต้องเรียนรู้ว่าเราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาใดบ้างแล้วจึงเลือกทำงานในช่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมกับตัวเราเช่นถ้าเป็นตอนเช้า เวลาที่เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ควรทำงานที่ต้องใช้สมาธิมากๆอาจจะเป็นการอ่านหนังสือหรือการเขียนรายงานในขณะที่ตอนบ่ายเมื่อประสิทธิภาพและสมาธิลดลงเราอาจพิจารณาการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดมากนักเช่นโทรศัพท์ติดต่อ ง, งานให้คำปรึกษากับทีมงานหรือการประชุมเรื่องต่างๆคนส่วนใหญ่มีช่วงประสิทธิภาพการทางานดังนี้ คือตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสิบสองนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพอันดับสองสิบหกนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพต่ําสุดสิบแปดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาจะมีประสิทธิภาพอันดับสองหลังเวลายี่สบสองนาฬิกาจะเป็นช่วงพักผ่อนคิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก่อนลงมือทํา บางคนพอเห็นงานก็เริ่มลงมือทำทันทีโดยไม่ได้คิดอย่างรอบคอบเสียก่อนว่าจะทำอย่างไรจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเช่นถ้าสั่งให้ยกโต๊ะออกจากห้องบางคนเอามือคว้าโต๊ะได้ก็ยกทันทีโดยไม่คิดไม่มองดูให้ดีก่อนว่าจะยกอย่างไรจึงจะง่ายที่สุดใช้แรงน้อยที่สุดและอาจเป็นไปได้ที่เมื่อยกไปถึงหน้าประตูแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจะออกจากประตูได้ เป็นเหตุให้ต้องเสียเวลาและเสียแรงกำลังโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นเราควรใช้ปัญญาและความคิดให้มากแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะการที่เราใช้ความคิดในเรื่องใหญ่ได้ก็มาจากพื้นฐานการใช้ความคิดในเรื่องเล็กน้อยได้อย่างเชี่ยวชาญมาก่อนนั่นเองเราจึงต้องไม่เป็นเพียงผู้ที่ทำงานให้หนักขึ้นแต่ต้องเป็นคนที่ทำงานอย่างฉลาดขึ้นด้วยทำงานหลายอย่างพร้อมกันถ้าเป็นไปได้ งานบางอย่างต้องใช้สมาธิมากโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์หรือการตัดสินใจอย่างไรก็ตามบางอย่างไม่ต้องใช้สมาธิมากในการทำเช่นงานที่อาศัยความเคยชินคุ้นเคยโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนักซึ่งเราสามารถทำพร้อมไปกับกิจกรรมอื่นๆได้เช่นการฟังเทพคำสอนภาษาขณะที่อยู่ในรถออกกำลังกายขณะดูโทรทัศน์ทำอาหาร พร้อมกับการใช้เวลาพูดคุยกับคนในครอบครัวอ่านหนังสือขณะเข้าร้านตัดผมเราควรนำกิจกรรมที่เราต้องทําทั้งหมดมาดูว่ากิจกรรมใดสามารถทําพร้อมกับกิจกรรมใดได้บ้างเพื่อจะช่วยลดเวลาในการทํากิจกรรมบางอย่างซึ่งอาจต้องใช้เวลามากแต่ใช้ความคิดน้อยเป็นไปได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเราอาจจะอ่านหนังสือเพิ่มได้อีกห้าถึงหกเล่มสามารถใช้คําสนทนาภาษาต่างประเทศได้ชํานาญขึ้น เกิดความผูกพันในครอบครัวลึกซึ้งขึ้นโดยที่เราใช้เวลาในการทํากิจกรรมอื่นเท่าเดิมใช้เวลาสั้นๆให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นบางคนอาจปล่อยให้ผ่านไปแต่บางคนอาจใช้เวลานั้นไว้ในการทําหลายสิ่งหลายอย่างได้เช่นระหว่างที่รอคอยคนที่นัดไว้รอรถมารับเราสามารถทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เช่นอ่านหนังสือตรวจแฟ้มงานพูดเรื่องงานอัดใส่เทพคาเสร็จ โดยที่งานนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากๆสามารถทำเสร็จได้ในเวลาอันสั้นแม้ทำไม่เสร็จก็สามารถทำต่อภายหลังได้ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าจะนำมาพิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นโทรศัพท์นัดหมายคนที่ต้องการพบหรือพูดคุยตกลงบางเรื่องทำรายการสิ่งของที่ต้องซื้อตรวจจดหมายเซ็นชื่อในเอกสารเป็นต้นทางานในลักษณะที่เหมือนกันในช่วงเดียวกันโดยทั่ ว, วไป ถ้าทำงานที่มีลักษณะต่างกันมากในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะเป็นเหตุให้เสียเวลาในการเปลี่ยนอิรลียบทหรือต้องตั้งใจจดจ่อใหม่เช่นการอ่านหนังสือและการพูดโทรศัพท์ไม่ควรทำในเวลาใกล้เคียงกันเพราะการอ่านหนังสือต้องการความต่อเนื่องและการใช้ความคิดถ้าถูกขัดจังหวะด้วยการพูดโทรศัพท์จะทำให้ต้องใช้เวลานานในการทบทวนเรื่องที่ได้อ่านไปแล้วอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเราควรนำงานที่มีลักษณะเหมือนๆกันมาทำในช่วงเวลาเดียวกันเช่น การโทรศัพท์ติดต่อคนกับการพูดคุยกับคนที่ได้นัดหมายไว้แล้วเป็นต้นป้องกันตัวเองจากการถูกรบกวนหรือถูกขัดจังหวะการถูกขัดจังหวะเป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหายอย่างมากในการบริหารเวลาเพราะบางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างไรก็ตามมีหลายกรณีที่เราสามารถป้องกันได้เช่นการที่ต้องรับโทรศัพท์ขณะทํางานซึ่งทําให้เราไม่สามารถทํางานอย่างต่อเนื่องเสียสมาธิทํางานได้น้อย เราสามารถป้องกันการถูกรบกวนได้โดยการใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติหรือตั้งเวลาในการรับโทรศัพท์ไว้และขอให้คนโทรมาในช่วงเวลานั้นหรือให้เลขานุ ก, การช่วยรับโทรศัพท์และบันทึกข้อความไว้หากเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนหรือไม่จําเป็นต้องคุยด้วยตัวเองรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทําให้เสียเวลาโดยไม่จําเป็นเราควรรู้จักเลือกที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดก่อนจากนั้น จึงเลือกทำงานที่มีความสาคัญในระดับรองรองลงมาทั้งนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและไม่ได้มีความสาคัญระดับสูงเพียงแต่มีผู้ขอร้องหรือรบร้าให้ทำถ้าเราไม่ปฏิเสธและยินยอมทำทุกอย่างที่คนอื่นขอร้องตารางเวลาของเราจะถูกกระทบกระเทือนและเราจะไม่สามารถบริหารเวลาได้อย่างดี ใช้คู่มือและทำรายการสิ่งที่ต้องทำหรือจัดเตรียมงานที่เราต้องทำสม่ำเสมอหรือทำเป็นประจำหรืองานใดที่เราเคยทำแล้วเราควรเขียนคู่มือการทำงานชิ้นนั้นไว้อย่างละเอียดรอบครอบและทำรายงานสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้เพื่อว่าเราจะสามารถย้อนกลับมาทำงานชิ้นนั้นหรืองานที่คล้ายคลึงกันนั้นได้อีกหรือต้องส่งมอบงานนั้นให้คนอื่นรับผิดชอบต่อ เราจะไม่ต้องไปเสียเวลาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แต่สามารถทําตามแนวทางของคู่มือและใช้รายการสิ่งที่ต้องทําช่วยเตือนความจําในการทํางานอีกครั้งจะทําให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบายงานให้คนที่มารับช่วงต่ออย่างมากเกินความจําเป็นด้วยเช่นกันผมขอยกตัวอย่างเรื่องพื้นพื้นที่หลายคนมักจะประสบเรื่องหนึ่งผมเองเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ เนื่องจากได้รับเชิญให้ไปบรรยายหรือสอนในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดและต่างประเทศอยู่เสมอปัญหาของผมมักจะเป็นเรื่องของการเตรียมเสื้อผ้าและสิ่งของที่ต้องใช้เมื่อเดินทางตอนแรกผมมักจะเสียเวลาในการคิดว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างและมักจะหลงลืมบางสิ่งอยู่บ่อยครั้งต่อมาผมจึงแก้ปัญหาโดยการทำรายการสิ่งของต่างๆให้กับภรรยาของผม เมื่อเธอจัดของสิ่งใดลงในกระเป๋าก็ให้เธอขิดเครื่องหมายถูกหน้ารายการสิ่งของนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งของทุกอย่างจะอยู่ในกระเป๋าเดินทางจริงๆวิธีการนี้นอกจากจะช่วยให้ผมและภรรยาประหยัดเวลาได้อย่างมากแล้วยังทำให้ผมได้ของที่จำเป็นที่ต้องใช้อย่างครบถ้วนด้วยในการทำงานสิ่งใดก็เช่นกันถ้าเราจัดทารายการสิ่งต่างๆที่ต้องทาไว้เพื่อตรวจสอบดูว่าเราจะทาทุกอย่างอย่างครบถ้วนหรือไม่ นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานแล้วยังทำให้งานที่ได้ไม่ขับตกบกพร่องโดยไม่จำเป็นอีกด้วยบันทึกไว้ดีกว่าใช้ความจำเราควรมีสมุดโน้ตเรียกไกเซอร์เครื่องอัดเทปดิจเทฟนติดตัวไว้เป็นประจำเสมอเพื่อว่ามาถึงเวลาที่นึกบางสิ่งขึ้นได้หรือมีความคิดใหม่ๆจะได้สามารถบันทึกไว้ได้ไม่หลงลืมไปเพราะเราอาจมีภารกิจมากมายที่ต้องทาในแต่ละวัน เราจึงไม่สามารถจดจําได้หมดทุกสิ่งโดยเฉพาะในรายละเอียดบางครั้งการไม่จดบันทึกทันทีที่มีความคิดนั้นจะทําให้เราต้องเสียเวลาในการพยายามนึกให้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรยิ่งกว่านั้นครับบางครั้งความคิดที่มีคุณค่ายอย่างมากบางครั้งอาจจะสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายเพราะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกการที่เราบันทึกสิ่งต่างๆไว้จึงเป็นประโยชน์แก่เราอย่างมากเพราะเราอาจบันทึกการเรียนรู้ จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเก็บไว้เป็นข้อคิดพร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขเพื่อว่าครั้งต่อไปจะไม่ผิดพลาดซ้ําในเรื่องเดิมอีกการทําความผิดซ้ําในเรื่องเดิมเป็นการบ่งบอกว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและเป็นการเสียเวลาให้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยไม่จําเป็นระดมความคิดในการหาคําตอบหรือ brainstorming หลายครั้ง เราต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการคิดหาหนทางทำบางสิ่งบางอย่างหรือหาคำตอบได้ตัวเราเองเพียงคนเดียววิธีการระดมความคิดจะช่วยให้เราได้รับคำตอบในเวลาอันสั้นได้เพราะการเสนอความคิดของคนที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันจะช่วยกระตุ้นให้คนอื่นคิดในสิ่งที่เขาอาจคิดไม่ถึงมาก่อนหากเขาอยู่เพียงลำพังการระดมความคิดจึงเป็นเหตุให้เราสามารถได้รับคำตอบที่คมชัดรวดเร็วอีกทั้งมีความรอบคอบด้วย การระลมความคิดเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากเพราะจะเกิดการกระทบทางความคิดและมีแนวคิดใหม่ๆออกมาเสมออย่างไรก็ตามครับการระลมความคิดที่จะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่นสมาชิกในกลุ่มนั้นต้องมีความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายของกลุ่มต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆเช่นการสื่อสาร ต้องมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นกันและกันอย่างสูงต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและจำนวนของสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเหมาะสมเวลาที่ใช้ก็ไม่ควรนานเกินไปอีกด้วยเนื่องจากวิธีการระดมความคิดเป็นการเปิดกว้างสำหรับความคิดใหม่ๆอย่างอิสระเสรีสมาชิกที่เข้าร่วมระดมความคิดจึงควรตระหนักเสมอในการระมัดระวังที่จะไม่ให้มีการวิพากวิจารณ์ความคิดของผู้อื่นเพราะอาจจะทําให้ไปปิดกั้นความคิดที่กําลังจะถูกเสนอออกมา พยายามเปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆไหลออกมาได้เรื่อยๆอย่ากลัวว่าความคิดของตนจะไปซ้ำกับของคนอื่นหรือเป็นความคิดที่ไม่น่าจะใช้ได้และต้องเข้าใจร่วมกันว่าการนารมความคิดเป็นวิธีสร้างความคิดแบบเน้นที่ปริมาณไม่ไดเน้นที่คุณภาพเป็นหลักเพราะในที่สุดทุกความคิดต้องถูกนำมากลั่นกรองและคัดเลือกภายหลังอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทําให้เราได้ความคิดที่ดีที่สุดออกมาท่ามกลางความคิดอันหลากหลายนั้น กระจายงานและมอบหมายความรับผิดชอบให้ทีมงานหลายครั้งงานในความรับผิดชอบของเรามีมากกว่ากำลังที่เราจะสามารถทำเองได้ทั้งหมดการกระจายงานให้ผู้อื่นจะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นเพราะเป็นการร่วมแรงการทำงานจากหลายๆคนซึ่งจะทำให้ใช้เวลารวมกันน้อยกว่าที่เราทาทั้งหมดเพียงคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีบทบาทเป็นผู้นาหรือผู้บริหารในระดับใดระดับหนึ่ง เราควรกระจายงานที่คนอื่นทำได้ให้เขาทำเพื่อเราจะมีเวลาไปทางานที่ไม่มีใครทาได้และภาพรวมในการทำงานก็จะได้ผลมากขึ้นการกระจายงานนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามอบความรับผิดชอบทั้งหมดให้ผู้อื่นไปเลยและไม่สนใจในงานนั้นอีกต่อไปแต่เป็นเพียงการมอบให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานชิ้นนั้นโดยที่เรายังมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และมีบทบาทในการเป็นผู้บริหารงานชิ้นนั้นอย่างเหมาะสมแทนที่จะเป็นคนลงมือทาเราอาจเป็นเพียงผู้ควบคุมตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่คนที่เรากระจายงานให้นั้นในความคิดของผมนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไม่ใช่เวลาเพราะแท้จริงแล้วแต่ละคนมีเวลามากพอในการทำสิ่งต่างๆอยู่แล้วคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเวลาหรือไม่แต่อยู่ที่ว่า เราได้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือยังผมขอฝากข้อคิดนะครับว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลาแล้วเวลาของเราจะเพิ่มพูนขึ้นเป็นสองเท่าครับ